มาเรื่องศีลกันต่อในหน้า75นะอินทร์สังวรศีลกล่าวถึงว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อบุคคลไม่เข้าไปตั้งธรรมะสำหรับควบคุมคือสติไว้ก่อนก็พึงทราบว่าความทุศีลเป็นต้นเกิดขึ้นได้ฉันใด เมื่อเข้าไปตั้งธรรมะสำหรับควบคุมคือสติไว้ก่อนก็พึงทราบว่าศสีลเป็นต้นเกิดขึ้นได้เหมือนฉันนั้นถามว่าทำไมเมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นเราทั้งหลายจึงหลงลืมสติทำไมจึงหลงลืมสติเพราะไม่ได้ตั้งสติเอาไว้ก่อนเนี่ยนะไม่ได้ตั้งธรรมะสำหรับควบคุมไว้ก่อนคคอไม่ได้เจริญสาธกาสัมปชัญญะตั้งกะต้นไว้ดี พอไปเจออารมณ์นั้นๆก็เลยหลงลืมสติเลยนะความทุศีลก็เกิดสติก็หลงลืมทำให้เกิดความไม่รู้ทำให้เกิดความไม่อดทนทำให้ขาดความเพียรขึ้นเพราะไม่ได้ตั้งศาสตะกะสัมปชัญญะเป็นต้นเอาไว้ตั้งก่อนเขาเรียกว่าไม่ตั้งสติเอาไว้ก่อนตั้งกับต้นเลยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่เข้าไปตั้งสติไว้ก่อนเนี่ยนะตั้งไว้ตั้งกัต้นเลยก่อนที่จะมาเห็นเลย ยกตัวอย่างนะถ้าเรามาฟังธรรมนีต่ตั้งตั้งสติไว้ก่อนหรือเปล่ามาฟังธรรมอะไรเคยถามแบบนี้ไ si หมเพื่อที่จะได้สังเคราะห์ศาสกะสัมปชัญญะไงจะเห็นว่าเออฟังแล้วดียังไงถ้าไม่ฟังเสียยังไงก็ต้องแยกให้ออกเห็นไหมอันนี้ส่งต่อการฟังมีอะไรบ้างก็ต้องแยกอันนี้ให้ออกตั้งกับต้นเลยเรียกว่าศาสตกะสัมปชัญญะในช่วงที่ฟังนี่กุศลเจริญไหมอันนี้เป็นสัปายะสัมปชัญญะ ขณะที่ฟังต่อไปเนี่ยใส่ใจในคําสอนได้บ่อยไหมได้มากไหมอันนั้นเป็นโคจระสัมปชัญญะและอาศัมโมหะสัมปชัญญะต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาถึงแล้วก็โอ้มาเรื่อยๆคิดไปเรื่อยเปลื่อเอ๊วันนี้พูดไม่เหมือนกับใจที่เราคิดไว้เลยว่ ง, งั้นอ่นะพูดคนละเรื่องท่านก็เทศไปเราให้อยากท่านเทศเรื่องเนี้ยท่านไปพูดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยนะเพราะเราไม่ได้ตั้งสเตทไว้ก่อนก็เลยแทนที่กุศลจะเจริญก็เลยไม่เจริญเลยเนี่ยนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้น ัการตั้งไว้ตั้งกับต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนย น, นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้ตามดีกาเนี่ยคลาย้ า, ลายๆอัตตาสัมมาปณิทิมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสัมปชัญญะเสียนะตั้งตั้งไว้ตั้งกับต้นเลยศากสกาสัมปชัญญะเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องต้องแม่นยำจริงๆเพราะถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถเจริญศากสกะสัมปชัญญะได้เนี่ยนะ เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรักรักษาศีลได้นะถ้าวินิจฉัยอะไรไม่ออกว่าอะไรเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ดียังไงมีโทษอย่างไรมีคุณอย่างไรในสิ่งนั้นนเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งไว้ตั้งกัต้นเนี่ยสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่ได้ก่อให้เขาเกิดกุศลง่ายๆเว้นไว้แต่ เ, เรียกว่าฟลุกอ่ะ น, นะว่าวิบากมันดี เ, เรียกว่าสำ น, นวกกนนะ เ, เรียกว่าฟลุกอ่ะนะเรียกว่าไปเจอคบคนดีโดยอัตโนมัติเกิดมามีเพื่อนดีไปโดยธรรมดาธรรมชาติเลยอะ่ะ ที่เรียกว่าบุญเดิมมันดีะนะก็เลยทำให้ได้รับดีๆมาตลอดเลยแต่ก็ไม่ได้แยกผิดถูกนะเพียงแต่ว่าวิบากมันดีพาไปถ้าลักษณะนี้ถ้าวิบากไม่ดีเมื่อไรเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีเพราะไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นๆจริงๆเนะทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยนะที่ถ้าใช้คำว่าอัตตะสัมมาปนิธิก็สมบูรณ์เพราะว่าอัตตะสัมมาปนิธินี้ถ้ากล่าวตาม มังคลทีปณีเนี่ยนะในมงคล38ดเนี่ยนะอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคามุตตะมังเนี่ยคำว่าอัตตสัมมาปณิทินั้นได้แก่ตั้งไว้ที่จะไม่ให้ทานและให้ทานที่จะไม่ที่ไม่ได้สมาทานศีลก็ตั้งไว้เพื่อสมาทานศีลยกตัวอย่างเนี่ยนะเหมือนกับวันนี้วันอุโบสถใช่ไหมบางคนเนี่ยตั้งไว้วันอุโบสถจะสมาทานศีล น, น ะ, ะการตั้งไว้อย่างนี้เป็นเหตุให้สมาทานศีลเนี่ยนี่คืออัตตะสัมมาปณิทิ ตั้งเอาไว้นั่นเองนะพอถึงปั๊บก็จะสมาธาตุหรือว่าไม่ได้ฟังธรรมก็ตั้งไว้เพื่อการฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะตั้งไว้เพื่อการเจริญกุโิแลธรรมชั้นสูงต่อไปในลักษณะนี้เรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิ อ, อย่างเราเข้าวงสังคมนะพอเข้าเข้าร่วมวงสนทนากับเพื่อนฝูงสมมุติว่าไปงานอะไรนี่นะมาเจอเพื่อนไม่เจอกันมา น, นานเซนพาน เพื่อนรวมชั้นกันม า, าสนุกปกติเนี่ยสนุกมากเพราะว่าผู้ที่เคยเป็นสิทธิ์เก่ากันมาเลยเนี่ยจะมีเรื่องโบราณโบราณโดยเฉพาะคนแก่นี่มีเรื่องเยอะคุยกันแย่งกันพูดไม่เคยมีคนฟังมีแต่คนพูดนะติการพูดมากๆเนี่ยนะฮะมันเป็นวิจทีทุจริตเสียเยอะนะถ้าเราไม่ตั้งไปก่อนนะครับเราเนี่ยแหละลําบากแล้วจะเข้าไป หลงเข้าไปเลยนะกลมกลืนไปเลยคือผิดสิว่าจีทุตกระดตลอดไปเลยแม่น้ำเจ้าพญาแต่ถ้าตั้งไว้ก็อาจจะได้บ้างอาจจะบางทีก็แพ้เหมือนกันนะครับบางทีก็ชนะบางทีก็แพ้เหมือนกันนะครับที่วัดตั้งไว้แล้วเนี่ยถ้าเราพิจนารณาให้ดีนะสมมุติถ้าไปเจอเพื่อนเก่าเป็นต้นเนี่ยนะคือเจอสีนั่นเองสรุปง่ายง่เจอสีกับเสียงของเพื่อนนะนะสีคือสีของเพื่อนเสียงคือคําพูดของเพื่อน สีกับเสียงเหล่านี้เนี่ยนะเป็นถ้าเราไม่มีอินทรีย์สังวรวัจจีทุจริตเนี่ยจะตามมาอ น, นะถ้าไล่าตามระบบของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะสีกับเสียงอันนั้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่ภาษาและเวทนาภายในใช่พอเวทนาตันหาแล้วเข้ามาแล้วพอตันหาปั๊บความยึดถือว่าเพื่อนเป็นต้นเนี่ยก็จะเข้ามาเสร็จแล้วก็วจีกรรมก็จะเป็นนะกรรมมาพบประเภทวจจีกรรมเนี่ยนะนะ เพรา ะ, ะนั้นกว่าจะเสร็จงานอันนั้นเนี่ยน้สร้างพบสร้างชาติเอาไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะกว่าจะเสร็จงานหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะเราพูดกี่คำอะ่ะหนึ่งคำเนี่ยนะเป็นมโนทวารมันหนึ่งคำที่เปล่งออกไปเนี่ยนะชาวนะหนึ่งหนึ่งประเภทเลยนะหนึ่งชวนะเลยมนั น, นถ้าพูดทั้งงานเลยเนี่ยกี่คำดิ oh <yeah. S 1> ถึงถึงหมื่นคำไหมไม่ถึงนะ อาจจะเยอะนะเพราะว่านาทีหนึ่งก็หลายสิบคำนันะ่นนะวันๆนหนึ่งก็เป็นหมื่นๆคำอ่ะนะในคำเหล่านั้นนั้นเนี่ยนะเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดชาติหน้าสองถึงหกชาติที่สามเป็นต้นไปอ่ะนะโอ้ท่านนึกตรงนี้ได้เนี่ยนะมันลดไปเยอะเหมือนกันนะโ้หนี่จะทำบาป ท, ทำกรรมให้ตัวเองไปถึงไหนเนี่ย ถ้าหากว่าเราเรามีอัตตสัมปะนะสัมมาปณิธิดีนะครับ อ, อแล้วเราระวังตัวนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นเลยว่าวิธีทุจริตจากผู้อื่นเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆมากจริงๆเราจะเห็นชัดเจนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานําเรื่องศีลเข้ามาเป็นสิกขาในชีวิตจริง ๆ, ๆเนี่ยนะครับ ก็จะก็จะเห็นอย่างเนี้ครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งไว้หรือว่าเราไม่เคยพิจารณาไม่เคยสังเกตนะฮะเราก็เราก็ไม่เห็นแล้วบางทีเราก็กลมกลืนไปเขาเลยแล้วเอาข้อความในปฏิจจสมบาทเนี่ยนะมาตรึกว่าภพเป็นปัจจัยแก่ชาติก็อยู่ตรงนี้แหละ เ, เจตนาที่เป็นเหตุเปล่งวาจาออกไปทุกคําที่เราพูดเนี่ยนะอันเนี้เรียกว่าเป็นภพเป็นประเภทกรรมภพภพเหล่านี้เพื่อชาติทั้งนั้นเลยหรือจะเพ่งอีกตอนหนึ่งอ่ะเออเนี่ยสังขารกําลังกั กำลังเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นปัจจัยกับวิญญาณต่อไปเนี่ยนะถ้าเอาส่วนนี้มาตั้งไว้เนี่ยนะฮีริโอตาปะจะเกิดมากเมื่อฮีริโอตาปะเกิดบ่อยเนี่ยนะกูศลศสิจะเกิดเท่านั้นแหละถ้าหีริโอตาปะเกิดสองครั้งศีลก็เกิดสองครั้งอะเวลาคุยกันนะถ้าฮีริโอตาปะไม่เกิดเลยทั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยว่าคําสอนมาไม่ได้สักสักขณะจิตเดียวเนี่ยนะอันนั้นก็แสดงว่าบริสุทธิ์เลยปราศจากบุญ อันที่จริงถ้าเราจะสังเกต ด, ดูในวงการสนทนานะเราจะสนทนาเรื่องคนอื่นเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับมากที่สุดแล้วก็เป็นที่แปลกใจว่าแม้แต่เราเข้าไปในวงการธรรมะนะครับและในวงการธรรมนั้นนี่นะครับปรากฏว่าไม่ใช่วจีสุจริตเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยน่าคิดมากทีเดียว <ขอ S 1> ถ้าเราก็มาในวงการธรรมมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ มีแต่ว่าจีสุจริตหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมครับแต่ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะถ้าอย่างนี้ก็เอวงนั้นก็ก็เราใส่ชื่อไปเองว่าเทือกธรร ม, มะ น, น, นะนะแต่ว่าธรร ม, มะก็มีสองอย่างนะธรรมกับอาธรร ม, มะธรร ม, มะเหมือนกันแต่เป็นอากุศลธรร ม, มะเพราะว่าไอ้ธรร ม, มะเนี่ยมีหลายอย่าง่งไหมกุศลากับธรร ม, มะอากุศลากับธรร ม, มะ อพยากตาก็ทำมาอีกเหมือนกันแต่ว่าอากูโสรธรรมเนี่ยนะกับกุโสธรรมจะมีวิบากเสมอ ก, กันก็หาไม่แต่ทีนี้ว่าไอรายการที่เป็นวัจจีทุจริตเนี่ยนะเราไปใส่ชื่อเองว่านี้คือธรรมะถ้าสํานวนทั่วไปก็บอกว่าที่ใดไม่มีการกล่าวธรรมที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาด้วยซ้ําไปเนไนะเพราะฉะนั้นเอ่อคนทั่วๆแล้วจะไม่เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของการทำกรรมเลยเนะีย ไม่เห็นภัยของการกล่าวว่าจีสุจริตไม่เห็นอนิสงของการกล่าวว่าจีสุจริตเมื่อไม่เห็นอันิสงสองอย่างนี่นะศีลของเขาเกิดไม่ได้ศีลของเขาจะบริบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากว่ากุศลศีลเหล่านี้ไม่บริบูรณ์ฐานไม่ดีแล้วเนีย่ยนะเครื่องรองรับกุศลธรรมชั้นสูงขณะนั้ น, น, นไม่มียกตัวอย่างนะเรไปสนทนากับบางเรื่องเสร็จใช่ไม ยกตัวอย่างว่าไปสนทนากับเพื่อนเก่ามาเสร็จนะมานั่งฟุ้งซ่านต่อไงธรรมะเนี่ยอ่านต่อไม่ได้เลยเพราะเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่สนทนาถ้าสนทนาชั่วโมงหนึ่งมาเนี่ยมันพร่องไปชั่วโมงหนึ่งฐานเสียไปตั้งชั่วโมงหนึ่งถ้าสนทนาสิบชั่วโมงก็ฐานเสียไปสิบชั่วโมงละเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะวิปฏิสารก็จะตามมาละพอที่ใดก็ตามถ้าเกิดการทุจริตเนี่ยนะเช่นวัจจีทุจริตที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะ ยิ่งกล่าวไปเท่าไรวิปฏิสารจะตามมาเท่านั้นพอมาสังเกตแล้วถ้าไปนั่งคุยบางเรื่องเนี่ยนะสักสองชั่วโมงนะนั่งฟังเขาคุยไปหรือเราร่วมด้วยแจมๆไปเออชั่วโมงที่สมเนี่ยนะจะมานั่งตรึกธรรมะตรึกไม่ได้เลยต้องไปสวดมนต์แทนก่อนนะต้องไปสวดไปสาธยายสู่ที่เราชำนาญเนี่ยแล้วเนี่ยนะ สาธยายเป็นชั่วโมงแล้วจิตมันจึงกัไปได้กันนี่มันจึงไปเวทนามันจึงจะใกล้กับการตรึกธรรมะเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเวทนามันไม่เกี่ยวกันเลยอะเวทนามันไกลกันมากนะนะ<อ>เวทนาในการตรึกพระธรรมเนี่ยนะกับเวทนาที่สนทนาเรื่องทั่วไปที่มีอารมณ์ปัจจัยภายนอกยิ่งไปไกลตัวเรื่แล้วเนี่ยอุทธจักมาจากกลุ่มลมค่อนข้างแรงเนี่ยนะนะไม่เกื้อกูลต่อการเจริญสมณธรรมเพราะว่าสมณะนี่ก็เป็นเรื่องของผู้สงบอยู่แล้วใช่ไหม ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบแล้วเรื่องที่คุยกันส่วนใหญ่มันเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านไม่ได้เกื้อกูลต่อสภาพจิตที่เป็นกุศลเพราะหากว่าผู้ใดไม่สามารถใช้วาจาที่เป็นวจีสุจริตได้นะคนเหล่านั้นอย่างไรเสียก็ฝึกอบรมจิตแตศิกขาต่อไปไม่ได้อย่างแน่นอนจะต้องฝึกใช้คําจนกว่าไม่เดือดร้อนใจเพราะการใช้คําจึงจะสามารถรองรับกุศนธรรมชั้นสูงได้ ถ้าเป็นคนที่เดือดร้อนใจเพราะคําที่ตัวเองพูดบ่อยๆคนนั้นไม่สามารถจะเจริญจิตติสิกขาได้เนี่ยนะเช่นพุทธคุณก็เจริญไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าเขายังใช้วจีทุจริตบ่อยๆเพราะว่าฐานรองรับไม่ดีแหละถ้าหากว่าจิตติสิกขาหรือการเจริญพุทธคุณไม่ไ ด, ห ด, ไได้หรือเจริญธรรมคุณเอาพระธรรมสักสูตรหนึ่งมาแพ่งไม่ไดถ้ถามว่าเราจะพิจารณาธรรมะอะไรถ้าจําคําสอนไม่ได้นะ ถามว่าจะพิจารณาธรรมะอะไรได้บ้างอ่ะยกอย่างใดอย่างหนึ่งมาเลยโดยที่จำคำสอนไม่ได้แล้วพิจารณาธรรมะได้เนี่ยนะใครทำได้นี่ก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วล่ะเนีย่ยนะประเภทจินตามยะปัญญาค <c oughs> งไม่ใช่สาวกแล้วล่ะมันไม่ใช่ธรรมดาละเพราะอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสาวกเมื่อสาวกนี่อาศัยสุตะอย่างเดียว แต่อย่าลืมนะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเฉพาะชาติสุดท้ายเท่านั้นเองที่ไม่ได้ฟังเรื่องอริยสัจมาจากผู้ใดก่อนแต่ก่อนนั้นนั้นมาเนี่ยนะเป็นคนที่กระหายในความรู้เขาบอกว่าสมาทานไอปัญญาบารมีเนี่ยสมาทานเหมือนกับพิสูจที่เดินบินธบาติอะวางงั้นคือธรรมดาพิสูจที่เดินบินธบาติเนี่ยเที่ยวไปตามลําดับเรือนไม่เว้นบ้านใดบ้านหนึ่งก็เดินไปเรื่อยใช่ไหมท่านก็เหมือนกันพึงเข้าไปหาบัณฑิต เข้าไปใต่ถามบัณฑิตบัณฑิตอันนั้นจะตระกูลชัระดับไหนก็ช่างตระกูลสูงตระกูลต่ำเนี่ยเข้าไปแล้วก็ถามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรไม่มีมีโทษอะไรไม่มีโทษเนีย่ยนะอะไรควรประกอบอะไรไม่ควรประกอบอะไรที่ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้เพื่อประโยชน์ในโลกหน้าเป็นต้นเข้าไปใต่ถามสมาถานเลยว่าจะถามเพื่อที่จะเอาปัญญาเพราะเหตุแห่งปัญญามีสองอย่างกไม คือเสียงจากภายนอกกับโยนิโสมนสิการการหมั่นตรึกบ่อยๆเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งแห่งปัญญาข้อความในวิสุทธิมักกล่าวว่าแต่เมื่อสังวรทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในชาวนะนั้นแม้ทวานก็เป็นอันคุ้มครองไว้ได้นะคือชาวนะนี่เป็นกุศลละคือเป็นคนตรึกเรื่องกุศลไว้ก่อนละ แม้พวังแม้วิถีจิตทั้งหลายมีอวัชนะจิตเป็นต้นก็เป็นอันคุ้มครองไว้ได้คือตั้งตั้ ง, ต, งตั้งจิตให้เป็นกุศลไม่ตั้งกัตต้นลน ะ, ะยกตัวอย่างเวลาเราจะไปสนทนากับใครเนี่ยนะตั้งเมตตาวจีกรรมไว้เลยตั้งกัลแรกเลยว่าเราจะพูดกับเขาด้วยความไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขา ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะไอความคิดอันนี้เกิดบ่อยๆเกิดมากๆเกิดเนืองๆเกิดเป็นปกติเนี่ยแล้วก็คุยกันไปถึงเห็นหน้าเขาหรือโดยที่มีเขาเป็นอารมณ์หรือเขาพูดคําใดออกมาถึงเขาจะใช้ว่าจีทุจริตเราก็จะฟังได้อย่างสงบเนี่ยนะแล้วเราจะค่อยๆชี้แจงต่อไปได้เพราะตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมเพราะตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะตั้งเมตตา วจีกรรมไว้ตั้งแต่ต้นแนละเนี่ยนะกุศลอื่นๆก็เหมือนกันเพราะถ้าตั้งไว้แล้วเนี่ยคำพูดที่เปล่งออกมาด้วยเมตตาอันนั้นก็เป็นวจีสุจริตคําพูดนั้นก็เป็นศีลสังวรก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นๆเพราลชาวนะที่ตั้งไว้ให้เป็นกุศลนับว่ามีความสําคัญมากถามว่าเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเมื่อได้ปิดกั้นประตูเมืองทั้งหลายไว้ดีแล้วสิ่งอื่นๆภายในเรือนเป็นต้น ไม่เป็นอันได้ปิดกั้นไว้ก็จริงถึงอย่างนั้นสิ่งของทั้งหมดภายในเมืองก็เชื่อว่ารักษาไว้ได้ดีแล้วคุ้มครองไว้ได้ดีแล้วทีเดียวเนี่ยนะถ้าตั้งชาวนาให้เป็นกุศลไว้ตั้งกับต้นเนี่ยนะอันเวลาเห็นเวลาได้ยินเนี่ยเวลาจะคุยกันไปเนี่ยนะอนุวัตตามชาวนาอ น, นันหมดเลยเนี่ยนะเธอว่าสิ่ง น, น, นั้นทั้งหมดได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองไว้อย่างดี เพราะว่าเมื่อประตูเมืองทั้งหลายปิดอยู่พวกโจรจะมีการเข้าไปได้ก็หาไม่ฉันใดเมื่อสังวรทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในชาวนะแม้ทวารก็เป็นอันคุม้มครองไว้ได้แม้พวังแม้วิถีจิตทั้งหลายมีอวชนะเป็นต้นก็เป็นอันคุม้มครองไว้ได้ฉนนันนั่นเทียวเพราะฉะนั้นสังวรแม้ว่ากาลังเกิดอยู่ในขณะแห่งชาวนะท่านก็เรียกว่าความสารวมใน จากขุนสีนี่นะคิดให้เป็นกุศลตลอดเลยนะแล้วมองด้วยมองไปแล้วคิดให้เป็นกุศลสลับอยู่อย่างนี้ตลอดอย่างนั้นก็ชื่อว่าสํารวมตาละอย่างนะอย่างเช่นตั้งตั้งเมตตามนโนกรรมเนี่ยนะไปกับคนอื่นเนี่ยนะตั้งเมตตาจิตตั้งจิตให้เป็นเมตตาเนี่ยวังดีปรารถนาดีเนี่ยนะแล้วมองเขาจะเป็นมองด้วยมองด้วยสายตาที่เป็นมิตรทันทีเลยนะการเห็นอันนั้นก็อนุวัตตามกุศลตลอดเลย ทั้งปัญจทาาวารวิถีมโนทวารวิถีที่เกิดสลับกันในขณะเห็นก็เป็นไปกับเมตตาเนี่ยนะเป็นไปกับเมตตาอากุศลด้านอื่นๆก็จะในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าตั้งกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ฟังอะไรสิ่งนั้นจะเป็นไปกับกุศลไว้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นนะถ้าคนฟังเพลงเนี่ยนะตั้งจิตไว้ตั้งกระต้นเลยเพลงนนั้นจะเป็นธรรมะทันทีเลยเนี่ยนะ เพราะว่าคนฟังเพลงบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีเชื่อไหมพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, อะตอนที่ท่านเป็นพระโพธิอตอนที่ยังไม่บรรลุะนะเขาถอนดอกบัวนะเขาก็ร้องเพลงถึงเรื่องความเป็นไปของดอกบัวนะถึงประกาศถึงความไม่จีรังยั่งยืนเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะเขาฟังแล้วเขาไปบรรลุบรรลุเป็นพระประเจกพระโพธิญาณในขณะที่ฟังเสียงนั่นแหละนะเพราะว่าเขาตั้งจิตไว้เป็นกุศลตั้งแต่ต้น ถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ดีๆด้วยนะเสียงเพลงเสียงไหนมั่งที่ไม่ออกจากโลภะพก็ส่วนใหญ่มันเป็นแอบเรียกว่าความขําครวนกับเสียงครวนจากโลภะหรือโทสะเท่านั้นเองถ้าเราตั้งจิตว่าเออนี่โลภะมันตั้งความปานะ่าเถนาแล้วเปล่งวาจาออกมาเปล่งวาจาออกมานี่นะเป็นเสียงเพลงที่ออกมาจากความน้อยเนื้อต่ําใจที่เกิดจากความผิดหวังเป็นต้นมันก็เท่านั้นเองอะนะเออเนี่ยเสียงครวนจากโลภะโทสะเท่านั้นเอง ก็มีอยู่เท่านั้นฟังไปมันจะเป็นธรรมะกล่าวถึงเรื่องความผิดหวังใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความผิดหวังบ้างสมหวังบ้างถ้าเพลงโบราณส่วนใหญ่จะผิดหวังถ้าเพลงสมัยใหม่ก็จะสมหวังนะนะมันก็ประกาศทุกขศัพท์ตลอดเนี่ยนะมันก็ประกาศศัพจะอยู่ในนั้นตลอดเราก็ฟังเออมันก็ได้ธรรมะดีแต่ถ้าอโยนิโศเกิดเมื่อไรนะเออคนนี้เสียงดีเลยไปแล้วคันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการตั้งสติเอาไว้ตั้งกับต้นเนี่ยนะแม้แต่ เห็นใบไม้ร่วงเนี่ยนะกุศลจิตยังเกิดถ้าตั้งสติไว้ตั้งกระต้นเห็นแม่น้ําไหลสติก็เกิดยกตัวอย่างเขาเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยนะก็นึกโอ้ขนาดใบไม้ไม่มีใจครองเนี่ยนะใบไม้เหล่านี้ก็ยังร่วงหล่นเลยนะเมื่อถึงการก็ร่วงหล่นเออชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะนี้เหมือนกันเอกไม่นานสัตว์ทั้งหลายก็จะตายแล้วว่างั้นะ การเจริญอันนี้จกสัญญาหรือว่าต่อมรานาสติได้ไม่ยากนักถ้าคนที่เข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆหรือเห็นแม่น้ำที่ไหลไปเนี่ยนะดูน้ำไหลเนี่ยนะเขาก็โอ้แม่น้าที่ไหลลงจากภูเขามีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีแต่ไหลไปสู่ความตายทั้งนั้นแหละอะนะทะวารอื่นเลยนะทุกทวารเนยเหมือนกันถ้าหากว่าสมมุติเราได้กลิ่นขยะเนี่ยนะ ถ้าตั้งสติเอาไว้ดีๆเนี่ยนะนึกถึงเรื่องอาหาเรปฏิกูลสัญญาเลยนะถึงได้กลิ่นขยะก็ไม่รู้สึกรังเกียจเลยในขณะนั้นเนี่ยนะก็ไอ้กลิ่นขยะนั่นแหละก็คืออาหารที่เรารับประทานก็ไปเมื่อเช้านั่นแหละใช่ไหมก็จะต่อด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาต่อด้วยการตั้งสติเนี่ยทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะถ้าตั้งสติสัมปชัญญะไว้ตั้งกระต้นดีคนนั้นก็จะมีอินทรีย์สังวรแต่อย่าลืมว่า อินทรีย์สังวรก็มีอาหารใช่ไหมอาหารของอินทรีย์สังวรคืออะไรกันทบทวนนะสติสัมปชัญญะคนที่ตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้เนี่ยจะทำให้เขามีอินทรีย์สังวรเอาแล้วสติสัมปชัญญะก็มีอาหารนะอาหารของสติสัมปชัญญะคือโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการก็มีอาหารนะอาหารของโยนิโสมนสิการก็คือศรัทธานะ คนที่จะตั้งอย่างนี้ได้ต้องมีศรัทธาที่จะพิจารณาเรื่องนั้ น, น, นได้แต่ก็ศรัทธาก็ยังมีอาหารเลยเนาะอาหารของศรัทธาก็คือการฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์เรียนวิชานั้นจบมาแล้วฟังมาจบแล้วมีศรัทธาที่จะปฏิบัติแบบนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้ตั้งจิตเอาไว้ตั้งจิตนั่นแหละเรียกว่ายโยนิโสหรือมนสิการ คำว่าโยนิโสเนี่ยนะคำว่าโยนิโสโดยศัพท์แปลว่าเย็บขายเป็นชื่อของปัญญามณสิการก็คือการใส่ใจนั่นเองอ น, นะการใส่ใจโดยเย็บขายตามแนวคำสอนนั่นแหละทำให้มีสติสัมปชัญญะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็เลยเป็นอินทรีสังวรเนี่ยนะเมื่อเป็นอินทรีสังวรเนี่ยอินทรีสังวรนั้นเป็นอาหารของสุดจริตสามเนี่ยนะ เมื่อเขามีสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะกายกรรมที่แสดงออกมาก็เป็นกายสุจริตวจีกรรมที่พูดไปแต่ละคําก็เป็นวจีสุจริตคิดอะไรก็เป็นมโนสุจริตเนี่ยนะสุดจริตสก็บริบูรณ์เมื่อสุจริตสบริบูตรเนี่ยนะฐานแห่งการรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้แล้วชิพพิจารณาขันก็ได้าธาตุก็ได้อายตนะก็ได้อริยสัจก็ได้และ นะการพิจารณาเรื่องขันธาตุอายตนะนั่นแหละเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนะถ้าสติปัฏฐานหรือว่าการามากจนบริบูรณ์นะการใส่ใจการตรึกการเพ่งมากๆจนบริบูรณ์อย่างนี้แล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นได้เรียกว่าพ่อชงอ่ะพ่อชงมรรคเนี่นะสัมปยุตธรรมนะเพราะว่าธรรมวิจยะสามพ่อชงกับสัมมาทิฏฐินั่นก็อันเดียวกันนั่นแหละนะถ้าระดับโลกุตระนะ และ ว, วิชาวิมุติเป็นต้นก็จะบริบูรณ์ไปตามนั้นๆไปจนถึงปั จ, จเวฏขณะยากเพราะฉถ้าหากว่าบุคคลที่ตั้งสติไว้โดยชอบรำเนี่ยนะเป็นไปตามคําสอนอตั้งสติเป็นไปตามพระรัตนะตรายเลยเนี่ยนะีวันนี้ก็เดินสนทนากันว่าเรามีพระธรรมนํานหน้าขนาดไหนครับคุยกันลักษณะเนี่ยเนะียมีพระธรรมนํานหน้าที่เรียกว่าตับปรายนะใช่ไหย ม, มีพระธรรมนํานไปในเบื้องหน้า ในทุกอารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยพระธรรมกล่าวไว้อย่างไรเนี่ยนะจึงจะชื่อว่าเรามีพระธรรมเนี่ยเทียบเคียงไปตลอดเลยทุกๆเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอย่าลืมว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารสติสัมปชัญญะก็มีโยนิโสเป็นอาหารโยนิโสก็มีศรัทธาเป็นอาหารศรัทธาก็เกิดจากการฟังธรรมที่บริบูรณ์นั่นแหละเป็นอาหารนะการฟังธรรมก็การคบสัตว์บุรุษนั่นแหละเป็นอาหาร พการเกี่ยวข้องการคบหาสมาคมในที่นี้หมายถึงพระรัตนตรายอย่างเดียวเพราะในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยนะแม้แต่เกี่ยวข้องกับที่เรียกว่ากรารยานามิตรก็เพื่ออะไรเพื่อให้มีความเลื่อมใสมั่นคงมากขึ้นในพระรัตนตรยัยเพื่อให้ก่อให้เกิดศรัทธานั่นเองเพราะกรารยานามิตรจะช่วยก่อให้ทําให้เกิดศรัทธาศรัทธาในที่นี้คืออะไรวันก่อนถามเอใครมีศรัทธาในอะไรใช่ไหมอาจานยมีนิตสตธรรในอะไรนี้ ตถาคตโพธิสัต t h นอะอย่างเราที่สุดตถาคตโพธิสัต t h แล้วนะใช่ไหมสัต t h ในพระตถาคตผู้เป็นผ้ารหารัสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองอะ่ะพระองค์กล่าวไว้อย่างนี้ยเลยเอามาคิดตามอะ่ะพอคิดตามนั้นก็เป็นไปตามนั้นอะ่ะมีพระธรรมนําไปในเบื้องหน้าถ้าเราปฏิบัติในลักษณะนี้จึงลักษณะเรียกว่าพุทธสาวกพุทธสาวกเพราะฉะนั้นทางนี้เป็นทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของผู้อื่น อ่าไม่ใช่เป็นทางของคนอื่นเพราะฉะนั้นการศึกษาการปฏิบัติในแนวนี้เนี่ยนะถ้ายิ่งศึกษามากใจจะมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าห่างพระรัตนตรายเมื่อไหร่ขอให้รู้เถอว่าเราเนี่ยห่างไกลาจากธรรมวินัยนี้แล้วเนี่ยนะห่างไกลาจากคําสอนเหล่านี้แล้วเพราะว่าวิชานี้ถ้าจบครั้งแรกจบแล้วจะมีคุณธรรมคืออะไรถ้าเรียนอย่างนี้จบเลยนะเขาจะมีคุณธรรมคือ เป็นพระโสดาบันถ้าจบวิชานี้นะเป็นพระโสดาบันก่อ น, นถ้าพระโสดาบันเนี่ยนะเขาจะมีศรัทธาที่เป็นอจัจฉริศรัทธาศรัทธาที่มั่นคงไม่ห ว, วั่นไหวเนี่ยนะถึงเปลี่ยนชาติแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนาศาสดาเขามั่นคงในพระพุทธเจ้าอ่ะพระองค์เป็นพระตถาคตอะเป็นท้ารหารันตาสรู้จร iniz, ิงๆเขาจะมั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสง์ ขนาดเดินสะดุดอย่างนะโมต ahn, ส่าพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธส่อขนาดนั้นเลยนะใจเขาเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่พรา <wy war> <ian> ement, 50, หม์คนหนึ่งอ่ะลูกศิษย์ของพรามณ์ภาวรีเขาบอกว่าฆ่าแต่ท่านพราหมเหมือนั้นกายของข้าพเจ้าห่างพระพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็จริงแต่ใจของข้าพเจ้าไม่ได้ห่างพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเพราะฉะนั้นพระองค์อยู่ในทิศใดข้าพเจ้าก็น้อมใจไปในทิศนั้นอ ข้าพระ อ, องค์เนี่ยมีศรัทธาว่างนั้นมีปีติมีศรัทธาโดยที่มีคุณของพระ อ, องค์เนี่ยเป็นอารมณ์ถ้าส่วนใหญ่วางนั้นแม้แต่อระวะักะยักษ์เป็นต้นเนี่ยนะเขบอกว่าข้าพระเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านออกจากเมืองสู่เมืองเพื่อนำมาสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามัสการความเป็นธรรมดีของพระธรรมแล้วก็ความปฏิบัติ ด, ดีของพระสงฆ์ใจของเขาจะเป็นไปในลักษณะนั้นนะจิตใจของเขาจะมั่นคงในพระัตนะตรัยมากเขาจึงเรียกวบาศกผู้นั่งใกล้พระรัตนะตรายจริงๆ การศึกษาการปฏิบัติต้องเป็นไปตามนั้นจึงจะชื่อว่าถูกต้องแต่ถ้าห่างพระรัตนตรัยไปเรื่อยๆพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ปีติไม่สมมนัตอะไรสักอย่างก็แสดงว่าอาจจะห่างไปไกลแล้วละ่ะ น, นะโคลรเซนเลย